พอมามาตกเพลงกระตปุญญาตานะเวลาคนอื่น่ะอธิบายก็บุญเก่าอาดีตชาติแต่เข้อมาบอกว่าจะทำวันนี้ให้มันเป็นบุญเก่าของวันต่อๆไปนี่แหละเดี๋ยววันหลังจะได้นึกออกว่าเออเนี่ยเราทําบุญเอาไว้แล้วก็หวังโครงการระยะ ย, ยาวหน่อยนะสมมติถ้าวันนี้พูดอริยศาสตร์พูดคําสอนพระพุทธเจ้านะอีกสิบปีนั้มานั่งยิ้มเลยนะโอ้เราก็ทําบุญเก่าเยอะเหมือนกันนะต้องโน่นะคิดไว้อีกสิบปีนั้นนะค่อยมานึกถึงอย่างเงี้นะสงสัยจะสมนัดไม่ใช่น้อยอย่างเงี้ย ก็ต้องโน่นนะคิดว่าไอซี่ทำทำอยู่นี้จะได้เป็นบุญเก่าแล้วหลายท่านกําลังทําบุญอยู่นี้ทถ้ดไม่กี่วันข้างหน้าจะจุติแล้วนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นบุญเก่าของชาติหนาพยายามคิดว่าสิ่งนี้นะจะเป็นปุกเพกตัตะปุญญาตาของบุญเก่าต่อไปทุกอย่างถ้ามองให้เป็นสังเวกวัตถุนี้เป็นสังเวกวัตถุได้หมดเลยแต่ว่าต้องเป็นคนที่คิดเป็นหน่อยนะ ถ้าคิดเป็นไม่เคยยากเท่าไหร่มองทุกอย่างเป็นสังเวกวัตถุได้หมดเลยมองอะไรมั่งไม่เป็นสังเวกวัตถุอย่างผู้การนี่เห็นโรงแรมปั๊บเนี่ยสังเวกวตถุผู้การเลยแล้วคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าผู้การเนี่ยเขามาเชื่อเลยว่าเป็นสังเวกวัตถุได้ของผู้การเนี่ยได้จริงๆถ้าพวกสายบริหารเนี่ยเขาจะรู้กันว่ามันสังเวกวัตถุเลยนะมันมหาภารนะมันมหาพาระจริงๆนะเจ้าของโรงแรมเขต้องเอาเรื่องพวกเราที่มาพักเนี่ยเข้าไปคิด เขาแคร์มากๆถ้าเราจะต้องติหรือชมโรงแรมเขาเนี่ยเขาแคร์ต่อความรู้สึกของลูกค้าเขามากเพราะถามว่ามันเป็นมหาภาระขนาดไหนอย่างซาสีนเนี่ยนะโหเนี่ยสมสิบหกคนเนี่ยซาสีต้องมานั่งเนี่ยคนนั้นคิดอะไร ก, ก็พอใจหรือเปล่ามันนึกยังไงนะมันไม่ได้เดือดร้อนซาสีคนเดียวมันเดือดร้อนถึงโนนราชูอีกต่างหากเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดคนขับรถก็เหมือนกันเดี๋ยวคนข้างหลังโวยวายมากคนขับรถก็เดือดร้อนนะ คือเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าสังสารวัตรถ้าหากว่ามองทุกอย่างให้เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชก็สังเวชจริงๆแต่ว่าคนที่จะรู้จักมองอะไรสังเวชคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาเป็นคนนักคิดเขาเป็นนักตรึกมากๆคือเขาไม่มองอะไรอยู่แค่จกคักขวิญญาณอย่างที่ว่าให้หยุดแค่ภาษาใช่ไหมถ้ามองแล้วหยุดแค่ภาษาหยุดแค่เห็นเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วแต่เนื่องจากเขามองการไกล ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คิดมากที่สุดนะในบรรดาคนคิดมากท่านคิดอยู่แค่ไหน่าท่านคิดโนเรื่องเมื่อเป็นกลับกับที่เลยท่านมองอนาคตต่อไปเป็นกลับกับท่านไม่ได้คิดอยู่แค่แค่เห็นเลยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเลยคนที่จะมองอะไรเป็นสังเวกวัตถุได้คนนั้นเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากคําว่าคิดมากคือปัญญาก็เกิดร่วมกับจิตใช่ไหม ปัญญาจะเกิดนี่คิดครั้งเดียวปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้ต้องคิดเรื่องนั้นบ่อยคิดบ่อยๆมากๆปัญญาจึงจะทํากิจได้เต็มที่พวกสังเวกวาวัตถุเยอะๆทพวกนี้จึง จ, จะเจริญกุศลได้มากอย่างที่ว่าวิริยินทรีเนี่ยมองทุกอย่างให้เป็นสังเวกวาวัตถุใครนัถามมันก่อนบอกคนอินเดียนี่ขุดแมงกุ จ, จีมากินบ้างหรือเปล่าไม่ทราบกาตาเหรอสายสารนี่เขากินแมงกุ จ, จีกัน เข้ามาในะขุดแมงกุดจีเนี่ยหลายถังเหมนกนัสมัยเด็กๆนะแมงขี้ควายเนี่ยแมงขี้วัวขี้ควายนี่เรียกว่าแมงกุจเีเขาจะปัดขี้ควายออกก่อนนะเพราะตัวแมลงพวกนี้มันเจาะอยู่ไปข้างในอยู่ในดินแล้วก็ไปขุดเอาในดินใช่ไหมเอาไปทาําอะไรเอาไปขั่วเพราไปขั่วไปกินอยู่แล้วสมมุตินึกถึงขี้โคขี้ควายนะของเราก็พร้อมในปฏิสนธิแถวนั้นได้หมด พระมเมห์ศีพระองค์หนึ่งยังไม่เป็นนักแต่งตัวในที่สุดแต่งจนเขาวหมดเลยเพราะเป็นหนอนเขาวหมดเต็มตัวก็เป็นอย่างนั้นพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างจริงๆถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้เรื่องกรรมสกตาดีหน่อยมองทุกอย่างเป็นสังเวชวัตถุหมดมองทุกอย่างคือมหาภาระก็ อ, อย่างว่านะสายพระพุทธเจ้าเป็นคนกลัวโลกจริงๆเลยนะจะไม่มีความรู้สึกว่าชนะโลก หมายความว่าต้องออกจากโลกอย่างเดียว่ะจึงจะแก้ปัญหาได้ที่เรียกว่าโลกุตระก็คือบอกไม่ไว้แล้วโลกฉันไม่เอาแล้วนั้นหนีดีกว่าเป็นไงเนะ่พุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นศาสนาที่หนีจากโลกไม่ใช่สู้โลกท่านเรากไปเอาแล้วพอแล้วหนีเลยเป็นศาสนาเรียกว่าลักษณะวาราชสีขอแพ้หมูะนะบอกยกให้หมูชนะไปเลยฉันอยู่ด้วยไม่ได้หรอกมันจะเปื้อนเอาว่างั้น ความเพียร น, นี่จะต้องอาศัยสังเวกขาวัตถุและอย่างหนึ่งนันข้อมูลต้องมากถ้าผู้ที่มีข้อมูลมีสุตตะมากการตั้งความเพียรก็ไม่สู้จะจะยากสักเท่าไรข้อต่อไปส่วนหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะสติสติประฐานสี่โดยสูตรโดยคุณของสติประฐานสีก็ต้องแม่นยำคือเป็นผู้ที่พิจารณาไวมากก็จะเจริญได้ดีส่วนสมาธิก็ต้องรู้จักรักษานิมิต เช่นนิมิตของเมตตาเป็นยังไงก็พยายามหมันระลึกถึงนิมิตแห่งเมตตาหรือนิมิตแห่งอสุภาพเป็นอย่างไรก็หมันระลึกถึงนิมิตแห่งอสุภาพเพราะจะต้องหมันระลึกหมันนึกบ่อยๆแล้วก็ถ้านิมิตแห่งปัญญาก็คือขันธาตุอายตนะที่สําคัญมากที่สุดเลยก็อย่างว่าอินรีห้าเจริญได้ด้วยอาการสิบห้าข้อแรกไหมข้อห้ามสิบข้อแรกเลยเนี่ยคือเอาแบบมงคล มงคลเนี่ยถ้าไงเว้นคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเจริญอินทรียห้านะข้อห้ามห่างพวกไม่มีอินรียห้าข้อเจริญก็คือคบผู้ที่มีอินรียห้าแล้วก็หาพระสูตรเป็มที่ตั้งแห่งอินรียห้าสูตรเขาก็มีหลักการอยู่กว้างๆอย่างนี้ที่สำคัญก็คือเอาโยนิโศเอาพระสูตรเกี่ยวกับอินทรียห้ามาตรึกให้มากๆอันนั้นเรียกว่าโยนิโสมณสิการ ส่วนถ้าตระโตโคศา ก, ก็คือการครบผู้ที่มีอินทรีห้าแล้วเขาจะสอนให้เรามีอินทรีห้าเพราะอะไรถ้าเขาไม่สอนนะเขาต้องเอาเราออกจนได้เพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาเขาจะทําให้คนที่เกี่ยวข้องกับเขามีศรัทธาถ้าเกี่ยวข้องกันแล้วศรัทธาไม่โตมันก็ต้องจากกันเพราะเขาเริ่มวิบัติแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมสมมติว่าถ้าเราครบคนที่เขาไม่มีศรัทธาเรารู้ว่าศรัทธาของเราเริ่ม เริ่มลดเริ่มถอยถ้าถอยแล้วทํำยังไงเขาต้องจากคนที่ไม่มีศรัทธาถ้าหากว่าการครบผู้ไม่มีศรัทธาอย่างผู้ที่มีอินทรีย์ห้าเลยเนี่ยถ้าเขาคบใครเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีอินทรีย์เขาก็หวังสงเคราะห์คนไม่มีอินทรีย์ถ้าเขาสงเคราะห์ไม่ขึ้นคนไม่มีอินทรีย์ก็ต้องหนีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะเพราะคนที่มีอินทรีย์เนี่ยเริ่มประโยค้าวิบัติแล้วเพราะไปคบคนที่ไม่มีอินทรีย์เขา ก็จะเป็นในลักษณะนั้นถ้าว่าไปจริงๆแล้วนะมงคลส8มสิบแปดข้อหนึ่งข้อสองใสำคัญที่สุดจะต้องแยกให้เป็นคุณธรรมระดับสูงก็อยู่ที่ข้อหนึ่งกับข้อสองเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์สังคมที่จะไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับหมู่ชนใช่ไหมจะต้องคบกับคนคนในโลกนี้ถามมาเราเลือกคบได้ไหมถ้าไมจะไม่ได้ตั้งหกพันล้านคนเนี่ยเลือกคบไม่ได้หรอ เขารับประกันว่าเราจะต้องทำงานทนทำทา ท, ทนอยู่ตรงนั้นตลอดชาติเลยจนกว่าจะหกสิบแล้วระเบียบราชการบังคับว่าคุณต้องอยู่จนถึงหกสิบอย่างนี้นิพานอย่างเดียวสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็เอาคนที่เราครบนี่หมายคำว่าคนที่เราร่วมความคิดและกิจกรรมคำว่าครบซ่องเสบไม่ใช่ว่าไม่เห็นเขาไปเลยตลอดชาติไม่ใช่ คำว่าครบหมายความว่าร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมร่วมกันคือให้ค่าสมมติถ้าเป็นผ่านเราก็ไม่ให้ค่ากับคําของเขาที่เขาพูดไม่ต้องเก็บเอามาคิดคําว่าคบเนี่ยหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกันทางความคิดและกิจกรรมแล้วก็เก็บเอาคําของเขามาคิดมาใคร่ครวนมาพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าร่วมคบกันเรียกว่าครบเกี่ยวข้องกัน ร่วมบริโภคมโนสัญเจตนาหารแต่ถ้าเลือกครบไม่ได้บอกตรงๆก็คือเจริญไม่ได้เหมือนอย่างว่าถ้าเรายังครบแต่พวกนักเลงการพนันแล้วก็นั่งอยู่แต่ในบ่อนทุกวันทุกวันน้อยคนนักที่จะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราครบคนมักโกรธเอ๊รู้มาติดมานั่งเมื่อไหรไม่ทราบเพราะเราจะแก้ปัญหาแบบคนที่เราไปเกี่ยวข้อง พอมาสังเกตจากอะไรรู้ไหมพอมาเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยจะต้องจําคําของเขามาพูดหนึ่งคำเดี๋ยวไม่นานก็พูดเหมือนเขาเลยในคนํา น, นั้นนะั้นนเพราะมันนึกนึกโอ้เนี่ยนะถ้าเราคบพระพุทธเจ้านะ่าสงสัยดีแน่นอนเลยไงถ้าเรียนแบบอะไรเร็วขนาดนี้ก็เลยนึกอยากคบพระพุทธเจ้าก็ส่วนนี้ด้วยที่มาศึกษาพระพุทธคุณเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับใครเนะี่ยได้คําของเขามาแล้วคำหนึ่งในอย่างคบปูการเนี่ยบอกมันดียังไงเนี่ยคํานี้เนี่ยติดมาบ่อยแล้วนะ ดียังไงเรื่องนั้นนะก็เลยติดคํานี้มานะแล้วเรารู้เลยนะคุณนายมาปั๊บเนี่ยก็ได้คำคุณนายมาคำหนึ่งนะมาเรื่องมรานะก็ได้มาอีกคำหนึ่งนะก็ไปได้มาแต่ละคําแต่ละคำก็บางคนเนี่ยแบบไปติดคํามาวักหายซับไปเลยเนี่ยนะก็ไปได้มาทีละคำสองคำเอ้นี่ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆนะอย่างนี้ต้องได้แน่นอนนะ น, น, นี่ทุกกันนี่อิทธิพลของการซ่องเศพมันก็เริ่มเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราฟ่องเสพสิ่งใดคบหาสมาคมกับสิ่งใดเราก็จะเป็นสิ่งนั้นถ้าเป็นคนมักเลี้ยงสัตว์ล่ะคบบ่อยๆก็ไม่วิจารนณะ์ของใครก็ของใครมันพิจรารณาเอากันแล้วกันสถานที่ตรงนี้ที่เราทั้งหลายมาร่วมบูชาสการะนี้ ทำความรู้จักสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะกล่าวสรรเสริญยกย่องสวดคือที่ตรงนี้เป็นแท่นวชชะอาตที่อยู่ฝั่งโน้นเราเนี่ยเท่ากับไหว้อยู่ในด้านที่ตะวันตกแต่ว่าแท่นวชชะอาตนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกต้นโพแท่นตรงนั้นเป็นแท่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้พระพุทธเจ้าพระนาวมว่ากุศลท้าพระองค์ก็ประทับนั่งตรงนี้แล้วตรัสรู้พระนุตตะสัมมาสามัมโพธิญาณ พระโกนาคมณะก็ประทับนั่งตรงนี้แล้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปาก็ประทับนั่งตรงนี้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายคือพระพุทธมหาสมณะโคดมพระองค์ก็ประทับนั่งตรงนี้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อีกแน่นนานข้างหน้าต่อมาจะมีพระสีอริยะเมตตยะก็จะประทับนั่งตรงนี้แต่สรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนี้เนี่ยถือว่าจุดกําเนิดแห่งแสงสว่างทั้งมวลจุดกําเนิดแห่งพระสัพพัญญุตญาณจุดกําเนิดแห่งอนนาวรณญาณหลวงพ่อที่พาเราสวด น, นี้เป็นผู้ชั่วเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยานเนี่ยนะท่านชื่อว่าหลวงพ่อดออรพระครูวิชัยธรรมทารี อยู่อินเดียมาสิบสองปีแล้วจนพูดคุยกับแขกได้รู้เรื่องแล้วคเก่งเลยแล้วกนกลับขออนุญาตหลงพ่อเพื่อกล่าวประธรรมนะครับญาติโยมทั้งหลายคณะผู้ที่มาจาริกสแสวงบุญเพื่อทำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวันนี้เรามาถึงสถานที่ที่องค์สมเด็จพระ บ, บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสถานที่ตรงนี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วนี้เป็นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ประทับนั่งแล้วตรัสรู้พระตรมสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนี้เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าการุสันธะพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมี แปดอสงไขเศษแสนกับตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็ประทับอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, น, นั้นโดยมากแล้วเป็นพระสัทธาธิกะบำเพ็ญบา ร, รมีแปดอสงไขเศษอีกแสนกับถ้ารวมเด็ดเสร็จก็ประมาณสัก ส, สี่สิบอสงไขเศษแสนกับนั่นเองมากกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้หนึ่งเท่าตัวเพราะพระองค์เหล่านั้นผู้บำเพ็ญบา ร, รมีด้วยพระ สัทธาทิกะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นประเภทปัญญาทิกะคือปารสรู้ด้วยปัญญาถือว่ามีปัญญาเป็นหลักในการบรรเทนบารมีพระพุทธเจ้าโกนาคมันะพระองก็ส่งบรรเทาบารมีมาแปดอสงไขยแสนกัดนับตั้งแต่วันพุทธพยากรพระองค์ก็มาประทับนั่งหน้าสถานที่นี้ประสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศศาสนาให้โมโมลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังธรรมและตรัสรู้ตามพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้ตามพระองค์นั้นหาประมาณนี้ได้แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่กากัสสปะพระองค์ก็บำเพ็ญบา ร, รมีมาแปดอสงไขยกำไรแสนกลับได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณสถานที่นี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ประกาศอริยสัจธรรม ตลอดลเท่มวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระองค์ได้เดิมรถแห่งอมตะธรรมแต่สรูปอริยสัจธรรมตามพระองค์ทำที่สุดแห่งวัฏทุขหาประมาณไม่ได้ตลอดมาจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้งความปรารถนาด้วยใจคิดด้วยใจเมื่อเราแต่สรุปแล้วเราจะให้ผู้อื่นแรัสรุปด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วจะยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วย เมื่อเราพ้นแล้วจะยังสัตว์อื่นให้พ้นด้วยเมื่อเราไปนิพพานแล้วเราจะยังสัตว์อื่นให้ไปนิพพานด้วยเพระองค์คิดอยู่ในใจแล้วก็บำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นอยู่ทั้งหมดเจ็ดอสงไขยด้วยกันพระองค์คิดอย่างนี้อยู่ในใจในเจ็ดอสงไขยเจริญกุศลและเปล่งวาจาอีกเก้าอสงไขยรวมสิหกอสงไขยแล้วจึงได้รับพุทธภยากรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วัดบงกรตอนที่ศาสนาพระพุทธเจ้าพนามัีปังกรนั้นพ ร, ร่งรวบรวมธรรมะสโมโอธานคือองคประชุมของผู้ที่จะเริ่มต้นเป็นนิยตะโพธิสัตว์นั้นจะต้องมีองคประชุมแปประการด้วยกันเรียกว่าธรรมะสโมโอธานแปประการมนุษสัตว์ต่างลิงขสัมปติสัทธาเหตุสัทธารัตฐานังปันปชาคุณสัมปติอธิการุจฉันเทาตาผู้ที่จะ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรณ์นั้นจะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นจะต้องประชุมด้วยองค์แปประการคือหนึ่งความเป็นมนุษย์สองต้องเป็นผู้ชายสาเมื่อเป็นผู้ชายแล้วต้องเป็นนักบวชผู้ที่เป็นนักบวชก็ต้องได้คุณสมบัติคืออภุญญาห้าสมาบัตแกดแล้วก็มีเหตุหมายคําว่าชาตินั้นเนี่ยจะถือเป็นชาติสุดท้ายก็ได้ ถ้าท่านจำนงหวังท่านจะทำที่สุดคือบรรลุเป็นพระหัน์โดยที่ฟังพระพุทธพจน์สั้นๆก็บรรลุเลยเป็นพระหนันทันทีข้อต่อไปท่านเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้วมีใจรักอย่างแรงกล้าปราถนาสำโภทิรานท่านบอกว่าประโยชน์อะไรที่ชายชาติมี้พลังจะข้ามไปแต่ผู้เดียวเมื่อเราข้ามแล้วจะยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วย องค์ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะช่วยรือ้ขนอสัตว์ให้ข้ามเรื่องพระองก็ได้รับพุทธภยรกรว่าเรื่องไปจากนี้อีกสี่อสงเขยตําไรายแสนกับข้ามจะได้เตียนพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคโดมมีพระพุทธบิดาชื่อว่าสุโธธนะมีแม่ชื่อว่าพระมหามายามีอัครสาวก ข, ข้างขวาชื่อว่าสาหรีบุตรข้างซ้ายชื่อว่าโมคลานะดังที่เราทราบกันอยู่ทุกวัน ซึ่งเหตุการณ์อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรนามว่าทีปังกรนี้ทรงพยากรณเรียบร้อยแล้วเมื่อพระ อ, องค์ได้รับพุทธพยากรจากองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพระโพธิสัตว์ของเราซึ่งในตอนนั้นท่านเป็นสุเมตรฤษีท่านก็สแสวงหาพุทธการะธรรมคือสแสวงหาธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นด้วยอาศัยคุณธรรม ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีข้อปฏิบัติการที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไม่ได้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้หรือเป็นคุณธรรมเป็นบารมีธรรมเป็นธรรมที่จะช่วยให้ตรัสรู้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ค้นคว้าพิจารณาว่าการที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าช่วยรั้วขนสัตว์ทั้งหลายได้ จะตั้งเป็นผู้ให้ทานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนทั้งหมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์เหล่านั้นเป็นผู้ให้ทานพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องให้ทานเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์เหล่านั้นถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยสมาทานว่าตั้งกระบดนี้ไปเราจะให้ทานประดุจหม้อความ เหมือนอย่างว่าหม้อที่คว่ำน้ําไม่เหลือแม้แตะหยดฉั้นใดเราจะพึงให้ทานแก่คนทุกชาติชั้นวรรณะโดยไม่มีส่วนเหลือฉันนั้นพระองค์ก็บริจาคมหาทานดังที่เรารู้กันว่าชาติที่สุดก็บริจาคทานดุจพระฤาษสันดรแล้วพระองค์ก็บอกว่าผู้ที่ให้ทานอย่างเดียวก็ไม่สามารถกระสรือต้องมีธรรมะอื่นที่จะช่วยบ่มโพธิญาณให้กระสรู้ได้ คนคว้าวิจัยตยก็เห็นศีลบารมีเห็นศีลซึ่งเป็นพุทธกากะธรรมเป็นธรรมที่จะช่วยให้พระ อ, องค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เลยสมาทานศีลว่าธรรมดาเนื้อสายเนื้อตาจามรีเนี่ยถ้าขนหางขาดอยู่ณที่ใดเห็นถ้าเห็นขนขาดหลุดอยู่ที่ใดก็ขอกลั้นใจตายอยู่ตรงนั้นฉันใดว่าเราจะต้องรักษาศีล รักษาศีลในภูมิศีลหรือรักษาจตุ ป, ปาริสุทธิศีลให้ดุจจามรีรักษาขนสายบางแห่งอธิบายลักษณะว่าชายผู้มีตาเหลืออยู่ข้างเดียวถนอมดวงตาฉันใดผู้หญิงที่มีลูกคนเดียวที่มีลูกยาก ห, ห้ษงแหนทะนุถนอมลูกของตนฉันใดผู้ที่มีปัญญาพึงรักษาศีลฉันนั้นถ้ารักษาศีลฉันนั้นก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพื่อเพ่รักษาศีลอย่างเดียวก็บรรลุไม่ได้ก็ต้องมีองค์คุณอันอื่นอีกว่าจะต้องอบรมเนคข ม, มะบารมีเนคขมะคือการออกออกจากวัตถุกรรมด้วยการมาเบือนแล้วก็ออกจากกิเลสกามด้วยการบรรเทญฌานทั้งหลายพระ อ, องค์ก็เห็นว่าเนคข ม, มะคือการออกออกจากวัตถุกรมและการออกจากกิเลสกามเนี่ยจะเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องที่จะช่วยให้บรรลุ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเป็นผู้สละวัตถุกรรมเป็นผู้สละกิเลสกรรมเราจะต้องเห็นพิษเห็นภัยของวัตถุ ก, การมและกิเลสกรรมเหมือนอย่างว่าบุตรผู้ถูกอยู่ในห้องขังด้วยความทุกข์ทรมานปรารถนาะแต่จะออกจากห้องขังคือคุกตารางโดยถ่ายเดียวฉันใดเราก็ต้องเห็นภพสามเหมือนกับคุกเหมือนกับตาราง เป็นคุกที่ขังสัตว์เอาไว้ในวัตฏะที่ทรมานด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุตายาตจําปารถนาที่จะต้องพอเพียรพยายามเพื่อจะออกจากคุกคือวัฏฏะอันนี้ให้ได้ก็เลยสมาทานว่าเราจะต้องบําเพ็ญเนคขมะบารมีบําเพ็ญบารมีในการออกจากวัตถุกรมและกิเลสกรมเหมือนคนที่ประสงค์จะออกจากคุกตารางที่อยู่ในทุกตารางด้วยความทุกข์ความยากความลำบาก เพื่อเจรณาค้นคว้าต่อไปอีกว่าธรรมะที่จะช่วยทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ถือต้องมีปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาแม้แต่จะให้ทานก็ไม่สามารถที่จะให้ได้สําเร็จแม้แต่จะรักษาศีลก็ไม่สามารถรักษาได้สําเร็จแม้แต่จะออกจากวัตถุ ก, กรารมแ ล, กกละกิเลสการมก็ออกไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องประพฤติปัญญาเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้าทูตพระ อ, องค์ท่านบําเพญ็ ญ, ญปัญญาบารามี จึงได้ตัตสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องสแสวงหาปัญญาเหมือนภิกษุเที่ยวภิกษาจารย์บิณฑบาตรับอาหารบิณฑบาตตามลำดับตระกูลไม่เลือกตระกูลฉันใดท่านก็ฉะนั้นพึงเข้าไปเที่ยวหาแสวงหาสอบถ า, สาสมสมณะพรามทั้งหลายผู้รู้ก็าถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษแอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาบ